จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่9ก้าพฤษ ภ, ภาคมพุทธศักราช2558รา25เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อ สร้างสารณะสร้างที่พึ่งทางใจที่เป็นที่พึ่งที่สาคัญกว่าที่พึ่งทางร่างกายเพราะที่พึ่งทางร่างกายเป็นที่พึ่งชั่วคราวส่วนที่พึ่งทางใจจะเป็นที่พึ่งที่ถาวรการมีที่พึ่งนั้น เราต้องมีที่พึ่งที่ถาวรเพราะถ้าเรามีที่พึ่งชั่วคราวเวลาเขาเสื่อมไปหมดไปเราก็จะเดือดร้อนเราก็ต้องหาที่พึ่งใหม่เช่นมีบ้านต่อไปบ้านก็จะเก่าจะชำรุดชุดทรงแล้วบ้านก็จะต้องหมดสภาพไปเราก็ต้องหาบ้านใหม่มีเสื้อผ้า ใช้ไปใช้ไปต่อไปมันก็เก่ามันก็ขาดมันก็หมดไปที่พึ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นที่พึ่งชั่วคราวไม่สามารถที่จะปกป้องรักษาไม่ให้ใจเราเกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาได้แต่ที่พึ่งทางใจที่พวกเราเข้ามาศึกษามาสร้างกันนี้ เป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งจะไม่มีวันเสื่อมหมดไปจากใจและเป็นที่พึ่งที่จะให้ความน่มเย็นเป็นสุขกับเราไปตลอดจะไม่มีวันที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้เหมือนกับที่พึ่งต่างๆเพราะที่พึ่งทางใจนี้จะไม่มีวันเสื่อมจากเราไปนั่นเองเราจึงควรให้ความสาคัญ ต่อการมาสร้างที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจของพวกเราก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะมาดูแลรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขให้ปราศจากความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายใจต่างๆไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำหน้าที่นี้ได้ นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เทนั้นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเขาจะไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างถาวรเขามาแล้วเขาก็ไปเขาจเจริญล้วก็เส่อมมีจเจริญลาบก็มีเส่อมลาบเป็นธรรมดา มีจะรลอนยศก็มีการเสื่อมยศเป็นธรรมดามีสรรเสริญย่อมมีนินทาเป็นธรรมดามีความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณก็จะต้องมีความทุกข์จากการสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณไปมีอะไรจะต้องเสียไปเวลาได้มาก็ดีใจมีความสุข เวลาเสียไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพวกเราก็กำลังหาสารณะหาที่พึ่งกันแต่เราไม่รู้ว่าที่พึ่งที่แท้จริงนั้นคืออะไรเราเลยไปหลงหาลาบยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหามาได้มากหามาได้น้อยแล้วไม่นานเขาก็เสื่อมไปหมดไป เวลาหมดเราก็เดือดร้อนวุ่นวายกันเช่นเวลาเงินทองหมดนี่เป็นอย่างไรบ้างสบายใจไหมเวลาเงินไม่พอใชนะ้ก็เพราะว่าเราไปใช้เงินมากเกินไปมันก็เลยไม่พอใช้ถ้าเรารู้จักใช้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินเรื่องทองนะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราอยู่แบบมากน้อยสันโดษ อย่าไปเพิ่งเงินทองมากจนเกินไปพึ่งเท่าที่จาเป็นสิ่งที่จาเป็นก็คือปัจจัยสี่ที่เราต้องมีไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายของเราถ้าเราใช้เงินทองเพื่อปัจจัยสี่เพียงอย่างเดียวเราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองเพราะว่ารายได้ของเราจะมีมากกว่ารายจ่าย แต่เราสามารถที่จะเก็บรักษาส่วนที่เหลือนี้ไว้สำหรับสำรองในเวลาที่รายได้ตกต่ำหรือรายได้ขาดแคลนได้แต่ถ้าเราใช้แบบไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีเหตุมีผลใช้เพราะว่ามีมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเพราะคิดว่าจะมีอยู่เรื่อยๆพอวันดีคืนดีตกงาน เศรษฐกิจตกต่ำบริษัทขาดทุนต้องปิดกิจการไปรายได้ที่เคยเข้ามาก็จะหายไปแต่รายจ่ายที่เคยจ่ายมันไม่หยุดเพราะรายจ่ายนี้มันจ่ายไปด้วยนิสัยพอเคยใช้แล้วมันจะใช้อยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเคยใช้เท่าไหร่มันก็จะใช้เท่านั้น ถ้าต้องใช้น้อยกว่านั้นก็จะรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกมีความทุกข์ขึ้นมาเวลาที่จะต้องลดค่าใช้ใจ่ายจึงเป็นเวลาที่รู้สึกทุกข์ทรมานกันแต่เวลาเพิ่มค่าใช้ใจ่ายนี้รู้สึกว่าดี อ, อกดีใจกันเวลาเงินเดือนขึ้นนี้ดี อ, อกดีใจเวลารายได้ได้มาเพิ่มดี อ, อกดีใจกันแต่เวลาที่รายจ่าย นั้นลดลงไปก็ทุกข์กันวุ่นวายกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้จักใช้จ่ายเงินทองไม่ให้มาสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเรานั่นเองถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยสอนเราเราจะรู้จักวิธีจัดการกับเงินทองที่เรามีอยู่จะไม่ให้เงินทองนี้มาสร้างความทุกข์ให้กับเรา ถ้าเรารู้จักใช้อย่างประหยัดใช้อย่างมักน้อยคือใช้น้อยๆใช้เท่าที่จําเป็นอย่าไปใช้แบบมากๆ ม, มีอะไรเห็นอะไรซื้อมันหมดเหมาหมดร้านเลยกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ามีกี่ชุดขายขอเมาเลยเนี่ยเป็นพวกแบบมากๆพวกโลภมากตอนนั้นที่ไม่มีเหตุผลที่ยังซื้อมา เสื้อผ้าที่บ้านก็ล้นตู้กระเป๋าก็เต็มบ้านรองเท้าก็เต็มตู้แต่พอเห็นของใหม่ออกมาความโลภ ก, ก็เกิดขึ้นมาอยากได้พอโลภแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็ทุกต้องจึงต้องซื้อมาพอซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดความอยากได้ใหม่นี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้ใจ่ายเงินทองตามนิสัยตามความรู้สึก ตามอารมณ์ใช้เท่าไหร่ก็จะไม่พอแล้วพอรายได้ไม่มีเวลานั้นก็จะทุกข์มากเพราะจะไม่สามารถหยุดหยุดความโลภหยุดความอยากได้ความโลภความอยากนี่ที่ทำให้เราทุกข์ใจไม่ใช่เพราะความขาดแคลนสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราหัดอยู่แบบประหยัดอยู่แบบมากน้อย อยู่ตามมีตามเกิดเรามีน้อยเราก็อยู่ได้มีมากเราก็อยู่ได้ขาดแคลนเราก็อยู่ได้เพราะใจเราไม่ได้มีความอยากเวลาขาดแคลนก็ไม่ได้มีความอยากให้มันมีมากขึ้นมามันก็จะไม่เดือดร้อนอนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านจะสอนให้เรารู้จักอยู่แบบมากน้อยสันโดษแล้วก็ความจริงก็คือมากๆมีมากกับมีน้อยผลมันก็เท่ากันเพราะว่าสิ่งที่เราเอามาใช้นี่มันไม่ได้ทำให้ใจของเราเกิดความสุขมากขึ้นร้อยน้อยลงไปแต่อย่างใด ใจของเราเกิดความสุขความทุกข์มากขึ้นนู้น้อยลงไปอยู่ที่กิเลสตัณหาความโลภความอยากว่ามีมากหรือมีน้อยถ้ามีกิเลสตัณหามากความทุกข์ก็จะมีมากถ้ามีกิเลสตัณหาน้อยความทุกข์ก็จะมีน้อยนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษาแล้วเอามาปฏิบัติกับชีวิตของเรา แล้วรับรองได้ว่าเรื่องเงินเรื่องทองนี้จะไม่เป็นปัญหากับเราถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไปอยู่วัดได้ไปบวชได้ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านจะสอนวิธีไปอยู่วัดว่าอยู่อย่างไรไปอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง คนเหล่านี้สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินใช้ทองอย่างพระภิกษุที่มาบวชนี้พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ให้เอาเงินทองติดตัวมาเวลาบวชนี้ให้มาตัวเปล่าๆให้เอาอัฐะบริคานเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการดำรงชีพ8ดชิ้นด้วยกันเรียกว่าอัฐะบริคารให้เอาบาทมาหนึ่งใบ พอบาทนี้จะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับหาอาหารตอนเช้าก็ออกไปบินตบากแล้วก็กลับมาบาทก็เต็มอาหารก็เหลือกินเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุงห่มก็้มีผ้าไกรหนึ่งชุดหนึ่งชุดก็คือผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนอันนี้ถ้ามีสามผืนนี่ก็แสดงว่า มีเครื่องนุ่งห่มแล้วไม่เดือดร้อนแล้วแล้วก็ให้มีที่ประคบเอวก็คือเข็มขัดรัดเอวเพราะผ้าผ้านุ่งนี้จะไม่มีไม่มีกระดุมเหมือนกับของญาติโยมก็เลยต้องใช้ประคบเอวคือเข็มขัดมารัดเอวเอาไว้แล้วก็ให้มีใบมีดโกนไว้สําหรับตวงผมตวงหนวด แล้วก็ให้มีเข็มกับได้ไว้สำหรับซ่อมเย็บจีวรเวลามันขาดแล้วก็ให้มีที่กรองน้ำเพราะในสมัยโบราณสมัยพระพุทธการพระภิกษุจะอยู่ตามป่าตามเขาจะต้องไปตักน้ำจากลำห้วยลำธารที่มีตัวสัตว์อยู่ในนั้นต้องใช้ที่กรองตักขึ้นมาเพื่อจะได้ไม่ตักเอาตัวสัตว์ขึ้นมาด้วย นี่คือสมบัติ8ชิ้นที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับนักบวชคือพระภิกษุถ้ามีสมบัติ8ชิ้นนี้แล้วอยู่ได้ไม่ไม่ตายอย่างแน่นอนพระตั้งแต่สมัยพระพุทธการมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีพระรูปไหนตายเพราะว่าอดตายอดยาขาดแคลนนี่คือสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์เราก็มีแค่นี้เอง มีแค่ปัจจัยสีที่จำเป็นแล้วก็ไม่ต้องมีแบบรู้ราแบบฟุ่มเฟือยแบบมากมายกายกองเพราะปากก็มีปากเดียวท้องก็มีท้องเดียวกินอาหารก็กินได้เท่าที่จะท้องจะรับเข้าไปได้เท่านั้นเองล้วประทานมากเกินนั้นก็แทนที่จะเกิดความสุขก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ก็เกิดอาการอึดอัดแน่นท้องแล้วถ้ากินมากๆต่อไปร่างกายก็จะมีน้ำหนักเกินน้ำหนักเกินก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาดัางนั้นการอยู่แบบฟุ่มเฟือยอยู่แบบรู้ราอยู่แบบมั่งมีไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความถูกแต่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความทุกข์ พราะถ้าเราเคยอยู่แบบร่ำรวยอยู่แบบมั่งมีพอเวลาเกิดยุคเข้ามาอยากแพงข้าวหายากเศรษฐกิจตกต่ำรายได้ตกต่ำเงินทองที่เราเคยใช้อยู่มันก็จะล่อยล ỏ ลงไปรายได้ที่เข้ามาก็น้อยลงไปก็จะไม่มาพอกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เราใช้อย่างฟุ่มเฟือยกัน พอเราต้องปรับลดค่าใช้จ่ายเราก็จะไม่สบายใจเราจะทุกข์ใจเพราะเราเคยใช้มากพอต้องมาใช้น้อยมันจะทำให้เราอึดอัดไม่สบายใจขึ้นไาแต่ถ้าเราใช้แบบน้อยๆอยู่เรื่อยๆเราจะไม่รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดดังนั้นหัดอยู่แบบมากน้อยสัมโดแล้วเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องเงินทอง ไม่มีเงินทองไม่มีไรายได้ก็ไปบวชกันได้ไปอยู่วัดกันได้ไปปฏิบัติธรรมไปทาใจให้สงบพอทาใจให้สงบแล้วใจจะไม่หิวเพราะความโลภความอยากมันถูกลังับไว้จากการทาใจให้สงบพอใจสงบใจก็จะอิ่มขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่อาจจะรับประทานอาหารแค่วันละครั้งเดียว แต่ใจกับไม่หิวเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารวันละสามสี่ครั้งเพราะการรับประทานอาหารมากๆไม่ได้ทำให้ใจอิ่มเพราะอาหารไม่ได้เป็นอาหารของใจอาหารนี้เป็นอาหารของร่างกายร่างกายรับประทานมากขึ้นไปเท่าไหร่ใจก็ยังหิวอยางนะยิ่งกับหิวมากขึ้นเพราะความอยากมีเพิ่มมากขึ้น ทุกครั้งที่อยากจะรับประทานอาหารนั้นไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้หิวแต่ใจเป็นผู้หิวร่างกายบอกไม่ไหวแล้วน้ำหนักเกินแล้วหมอห้ามไม่ให้รับประทานแล้วแต่ใจหิวใจหิวแทนที่จะให้อาหารใจกลับไปให้อาหารร่างกายแทนใจมันก็หิวอยู่เรื่อยๆยิ่งหิวขึ้นไปเรื่อยๆเพราะใจไม่ได้รับอาหาร อาหารของใจคือความสงบเราไม่ให้กันใจก็เลยหิวอยู่เรื่อยๆได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้เงินได้ทองมากี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็ไม่พอเพราะใจที่หิวไม่ได้นรับอาหารนั่นเองกลับไปให้อาหารที่ร่างกายกลับไปให้อาหารกับกิเลสตัณหาคือความอยากได้สิ่งต่างๆ การที่เราทำตามความอยากนี้มันไม่ได้ทำให้ความอยากมันน้อยลงไปหรือหมดไปแต่มันกลับเพิ่มความอยากให้มีกำลังมากขึ้นอย่างสมัยเด็กๆนี่เราอยากได้อะไรอยากได้ขนมเล็กๆน้อยๆเราก็มีความสุขแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยความอยากก็มากขึ้นแล้วอยากได้นั่นอยากได้นี่เพิ่มขึ้นไปพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาว ก็อยากได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกตอนเป็นเด็กๆใช้วันละ10 บ, บาท20บาทก็มีความสุขแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยใช้วันละห้าสิบาทร้อยบาทถึงจะมีความสุขแล้วพอโตทํามาหากินหาเงินหาทองได้พอยิ่งมีเงินยิ่งมีทองความอยากที่จะซื้อสิ่งต่างๆก็มีเพิ่มมากขึ้นไปโดยวันลา100ยวละร้อยส0งก็ไม่พอใช้แล้ว ต้องเป็นวันละพันสองพันบางคนก็วันละหมื่นสองหมื่บางคนก็วันละแสนสองแสนบางคนก็วันละล้านสองล้านยิ่งมีมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งอยากจะใช้มากขึ้นไปเท่านั้นแต่มไม่คิดว่าเวลาไม่มีเงินใช้ใจะทําอย่างไรก็กระโดดตึกตายกันฆ่าตัวตายกันเพราะอยู่ไม่ได้อยู่กับการใช้เงินวันละสิบบาท20บาทไม่เป็นใชแล้ว สมัยเด็กๆเคยอยู่ได้แต่พอโตขึ้นมาพอเคยใช้เงินวันละหมื่นสองหมื่นต้องมาใช้วันละส0บบาท20บาทก็อยู่ไม่ได้เพราะความอยากมันสร้างความทุกข์ขึ้นมานั่นเองความทุกข์ใจของเรานี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากต่างๆนี้เองและถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ใจเราหมดไปเราต้องหยุดความอยากไม่ใช่ทำตามความอยาก แทนที่เราเวลาเราอยากเราอยากไปทําตามความอยากเรามานั่งทําใจให้สงบกันมาฝึกนั่งทําสมาธิกันเพราะสมาธินี้จะเป็นเครื่องมือหยุดความอยากได้ทุกครั้งเวลาเราอยากได้อะไรเรามานั่งสมาธิกันถ้านั่งได้พอใจสงบความอยากก็หายไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเช่นเราไม่มีเงินแต่เราอยากจะไปเที่ยว แต่เราไม่มีเงินไปเที่ยวเราก็ทุกอยู่บ้านก็ทุกขแต่ถ้าเรามานั่งสมาธิทาใจให้สงบได้พอใจสงบใจก็อิ่มใจก็ไม่อยากเที่ยวเพราะความอยากหายไปความอยากถูกกำลังของสมาธิกดเอาไว้หยุดเอาไว้เราก็เลยไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านก็มีความสุขมีความสุขมากกว่าออกไปเที่ยวอีก เพราะความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้เหนือกว่าความสุขทั้งหมดความสุขต่างๆที่เราได้ทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกมืนกายนี้จะสู้กับความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้นี่แหละคือพระรันตนตรัยท่านสอนให้เรามาสร้างความสุขที่ใจกันมาหยุดความอยากกัน โดยการทําใจให้สงบเพราะใจสงบแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรนั่นเอไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากมีเงินหรือไม่มีเงินก็ไม่เดือดร้อนมียศหรือไม่มียศก็ไม่มีเดือดร้อนมีคนสรรเสริญหรือมีคนยินทาก็ไม่เดือดร้อนมีรูปเสียงกลิ่นลดให้เสพหรือไม่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความอยากเหมือนคนที่รับประทานอาหารอิ่มแล้ว จะไม่อยากจะรับประทานอะไรอีกต่อให้มีอาหารรดเด็ดขนาดไหนมาวางไว้ข้างหน้าก็รับประทานไม่ลงเพราะมันอิ่มแล้วนั่นเองปัญหาของพวกเราคือเราไม่ได้ทำใจให้อิ่มกันแทนที่จะทำใจให้อิ่มเรากลับทำทำไปทำใจให้หิวเพิ่มมากขึ้นด้วยการกระทําตามความอยากต่างๆถ้าการกระทําตามความอยากทำให้ใจเราอิ่ม ตอนนี้พวกเราต้องอิ่มกันไปหมดแล้วเพราะเราทำตามความอยากมาตั้งแต่เราเกิดมาแต่ความอยากนี้ไม่ได้ทำให้ใจเราอิ่มแต่กลับเพิ่มให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปไเรื่อยๆนี่คือปัญหาของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันเพราะเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนกันมาสอนให้เรารู้ว่าความหิวความอยากต้อง ความโหยนี้เกิดจากความอยากของเรานั่นเองและต่อให้เราทําตามความอยากไปมากน้อยเพียงไรความอยากก็จะไม่มีวันหมดไปตอนนี้พวกเรามีอะไรกันละมากน้อยเพียงไรแล้วความอยากได้มันหมดไปหรือยังมีเสื้อผ้ากี่ชุดแล้วมีรองเท้ากี่คู่แล้วมีกระเป๋ากี่ใบแล้วมีความสุขทางตาหูจมูกร่างกาย มามากน้อยเพียงไรแล้วไปเที่ยวมามากน้อยเพียงไรแล้วมันหมดไป ม, มันหายไปไหมมันเจอความว่าพอหรือไม่มันไม่มีวันเจอถ้าเราไปทำตามความอยากแต่กลับจะทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะให้ความอยากหมดไปเราต้องทำตามวิถีทางที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญ พระพุทธเจ้าหยุดความอยากด้วยการไปบวชหยุดเพื่อจะได้มีเวลาทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็หายอยากหายอยากก็อยู่อย่างสบายไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องเหนื่อยเหมือนกับพวกเรานี้ต่อให้ทำไปจนถึงวันตายก็หยุดไม่ได้เพราะมันความอยากมันมีอยู่ตลอดเวลาแน่ๆทั้งแมาถึงแม้ว่าไม่ต้องทำงานก็อยู่เฉยๆไม่ได้ อยู่เฉยๆเดี๋ยวก็เบื่ออยู่เฉยๆให้ไปเที่ยวบ่อยๆเดี๋ยวก็เบื่อให้ไปดูไปฟังไปทําอะไรบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เบื่อเพราะว่าการกระทาอะไรต่างๆมันไม่ได้ทําใจให้อิ่มให้พอนั่นเองมันทําให้เบื่อหรือไม่เช่นนั้นก็ทําให้อยากเพิ่มมากขึ้นไปเราจึงต้องมาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เชื่อพระ อ, อริยสงสาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนสามารถอยู่แบบพระพุทธเจ้าได้อยู่แบบไม่ต้องมีอะไรได้อยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาเพราะได้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนั่นเองดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขกันอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเราต้องมา หยุดความอยากกันให้ได้ลวิธีจะหยุดความอยากก็คือเราต้องมาทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนอย่าเอาเงินทองไปซื้อตามความอยากอยากได้อะไรอยากไปซื้อถ้าไม่มีเหตุผลเหตุผลก็คือถ้าไม่ถ้าไม่มีแล้วไม่ตายก็แสดงว่าไม่จำเป็นเช่นอยากจะซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ เสื้อผ้าชุดเก่าใส่ไม่ได้หรืออย่างไรถ้าเสื้อผ้าชุดเก่ายังใส่ได้อยู่เสื้อผ้าชุดใหม่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีรองเท้าคู่ใหม่คู่เก่ามันพังหรื อ, อยังถ้ายังไม่พังใช้คู่เก่าได้ก็ใช้มันไปเนี่ยเราต้องใช้เหตุผลเราถึงจะมาหยุดความอยากใช้เงินต่างๆได้แล้วเราจะมีเงินทองเหลือมาทำบุญ การเอาเงินทองมาทำบุญกับจะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มอิ่มใจสุดใจแทนที่จะทำให้เกิดความหิวเกิดความอิ่มใจขึ้นมาแต่ถ้าเอาเงินไปซื้อของตามความอยากจะทำให้เกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นพอซื้อของวันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะซื้อใหม่แต่ถ้าเอาเงินซื้อของนี้มาทำบุญวันพรุ่งนี้ก็จะไม่อยากจะซื้ออะไร ก็ได้ความอิ่มจากการทำบุญนี่เองดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้ามาหยุดความอยาก ด, ด้วยการทำบุญให้ทางด้วยการรักษาศีลและด้วยการมาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบถ้าเราปฏิบัติได้ต่อไปเราจะมีแต่ความสุขเราจะไม่มีความทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญ เพราะเราไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญมาให้ความสุขกับเราแล้วเพราะเราไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญนั่นเองเพราะเรามีความสงบพอมีความสงบแล้วความอยากได้ลาบยศสรรเสริญก็จะหายไปความอยากเที่ยวก็จะหายไปความอยากดูอยากฟังก็จะหายไปอยู่เฉยๆก็มีความสุข และจะไม่ทุกข์กับการเสื่อมการสูญเสียของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไปนี่แหละคือการมาสร้างที่พึ่งที่แท้จริงต้องสร้างที่ใจของเราด้วยการหยุดความอยากต่างๆด้วยการทำบุญรักษาศีลและปฏิบัติธรรมจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างสารณะสร้างที่พึ่งที่แท้จริง ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการสแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตน์ใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวนาสุขภละโดยทั่วหน้ากันเธอ